ที่จะเล่าสู่กันฟังนี้นเป็นผลจากการฝึกบันดาลในวิธีของข้าพเจ้าด้วยพระเมตตาของครูบาอาจารย์คือนนหลวงพ่อตาวัดบานังโคและหลวงพ่อฤาษีจิงดามเป็นที่สุดทําให้ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆอันนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองอย่างมากแต่การบันทึกครั้งนี้เพราได้รับคําสั่งจากหลวงพ่อพอได้ทราบอย่างนั้นก็ ยเต็มอกเป็นใจรับทำอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ความวิตกกังวลอื่นใดก็หมดสิ้นไปพอไปคิดว่าเราจะทำเ พ, พื่อสมองเพื่อคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลวงพ่อท่านขอท่านผู้รู้โปรดพิจรารณาตามอายาัยาศิยใสถ้าเห็นเรื่องใดไม่สลักสาคัญอย่างใดก็ขอได้โปรดอภัยให้กับความรู้แบบเด็กสุดใหม่ของขอ้าพเจ้าด้วย จะขอเล่าถึงวันเรกได้ที่หลวงพ่อให้ฝึกมโนมยิทิกันวันนั้นตรงกับวันพรหัสกักประดที่สิบแปดขึ้น4ีข้ามเดือนเก้าปีมเส็งท่านให้ผู้ที่จะฝึกเตรียมดอกไม้สีขาวแล้วก็เทียนขาวสองเล่มกับเงินสามบาทให้ใส่ลงในขันไปเล็กๆ เ, เป็นขันเงนหรือขันอะไรก็ได้ไปเล็กๆแต่ใช้เฉพาะพิธีนี้ไม่ให้เอาขันที่ใช้แล้วมาทา แล้วหลพอก็นำบูชาพระรัตนตรยัยคือสวดโดสโตามปกติที่เราเคยขึ้นพระกรรมาฐานกันสวดโดสโจบแล้วหลวงพ่อก็กล่าวนำพร้อมกับพวกเราว่าตามว่าวันทานะสุสิสิกขาปันจักขาณิแ ส, สงมงคลังฆาชามิแล้วท่านก็ให้เป่าลงในขันธ์สามทีระหว่างที่เป่าครั้งที่หนึ่งก็นึกถึงพระพุทธครั้งที่สองพระธรรมและครั้งที่สามก็พระสงฆ์ คืออันนี้เป็นรบพ่าย ใ, ใจเราน้อมตามไปเคารวพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปด้วยไม่ใช่เป่าไปเ ฉ, ฉยๆถ้าต่อจากนั้นหลวงพ่อก็กล่าวตามกล่าวนาแ ล, ล้วเราก็กล่าวตามว่าพุทธังเมนาถังเมนาโถกรรมฐานนะกรรมฐานนางข้าพระเจ้าขอข้าพระกรรมฐานและปัสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายทุติยามติกธรรมังเมนาถังเมนาโถ กรรมฐานะกรรมฐานนางข้าพเจ้าขอข้าพระกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายให้ใจตั้งมั่นตติยามปิสังขังเมนาถังเมนาโถกรรมฐานะกรรมฐานนงข้าพเจ้าขอข้าพระกรมาาะ ร, ะกรมฐานและวิปัสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายให้ตั้งใจมั่นในวันนั้นขณะที่กล่าวข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่าขนลุกสู้มันเป็นติติอันเนน แต่สักครู่หลวงพ่อก็บอกว่าวันนี้เอาแค่ขึ้นภูการไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็กลับไปทำกันที่บ้านเราเองไม่ใครจะลองเรานั่งดูก็ได้ตอนนั้นความรู้สึกข้าพเจ้าก็ผิดหวังนิดนิดเพราะว่านอกจากว่าเราสาธท่องมาซะอย่างดีเลยแต่ว่าหลวงพ่อท่านเหมือนกับท่านไม่อยากจะสอนรู้สึกตัวเองว่าอย่างนั้นก็เลยพอหลวงพ่อบอกว่าให้นั่งภาวนาได้ ก็นึกอธิษฐานนึกอธิษฐานในใจบอกว่าวันนี้ถ้าหลวงพ่อไม่สอนหนูก็ไม่ขอนั่งเพราะว่าถ้าเกิดออกไปแล้วไปเห็นอะไรเป็นว่าจะเป็นการขัดคำสั่งท่านคิดไปอย่างนั้นเองก็เลยไม่ยอมนั่งหลวงพ่อก็สั่งให้ทุกคนนั่งขัดแบบนั่งเหมือนเจริญพระกรรมฐานแล้วก็ใช้คำภาวนาไป ตอนนั้นตาก็เหลือไปเห็นว่าใครๆเขานั่งกันหมดแล้วเขานั่งขัดสมาธิหลับราปี๋กันเป็นแถวเขาจ้างมานั่งนึงตามองมืตัวเองอยู่คิดว่าไหนๆก็มานั่งแล้วก็พภาวนาไปด้วยประเด็นนี้กันจะได้ไม่เสียเวลาไปบอกตาเพรากละว่าหลวงพ่อคงจะให้นั่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะตอนนั้นหลวงพ่อไม่ได้บอกเวลาไว้ด้วยว่าจะให้กี่ชั่วโมงกี่นาที ภาวนาไปนั่งภาวนาไปสักครู่ก็รู้สึกมันสบายสบายโบบาๆก็ภาวนาไปเรื่อยๆตาที่ลุ่มอยู่ก็ถูกปิดไปโดยอัตโนมัติเพราะรู้สึกว่าอยากหลับตาก็หลับไปหลับไปพร้อมกับภาวนาไปด้วยภาวนาไปได้สักครึ่งเที่ยวที่สองประมาณเที่ยวที่สองก็รู้สึกว่าตัวเอ็เป็นข้างหลังค่อยๆเอ็นชิละน้อยๆแต่การเอ็นนี่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นจังหวะจักรนอะไรไม่ทีว่ารู้สึก ตอนไหนที่จิตติงมากๆก็โ้อไปมากๆแต่แล้วเท่าไปเดียวก็คือจับไม่ได้เป็นจังหวะนั้นแต่ว่ามันเองไปในที่สุดก็รู้สึกล้มลงเหมือนกับหัวเราเนี่ยไปโดนอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าล้มลงไปท่าไหนพอล้มลงปุ๊บ ก, ก็เห็นตัวเองรู้สึกว่าตัวเอง แต่เรกว่าเห็นก็ไม่เชิงนะคือเขาสุ ก, กไปอยู่ที่แห่งหนึ่งก็กําลังหันดีหันขวาว่าจะไปไหนดีลืมไปแล้วว่าหลวงพ่อท่านสั่งว่ายัางไงก็นึกว่าเอ๊จะไปไหนดีแนละ้วก็ปรากฏเป็นเชื่อที่ใช้อักษรตัวบรรจงแต่ว่าพรทิศก็เลยได้ขึ้นมาได้ว่าเออพี่พรทิศนี่ที่หลวงพ่อสั่งว่าถ้าขึ้นก็รับไปขอท่านท่านเป็นลูกหลวงพ่อองคหนึ่งเหมือนกันให้ท่านช่วยพาเที่ยวก็ คือความรู้สึกว่าท่านพาขึ้นมาแต่ไม่เห็นองท่านชัดนะักท่านพาขึ้นมาเลื่อนๆมาเห็นที่แห่งหนึ่งสวยงามมากเหมือนกับหลังคาวัดหลายๆหลังมาเรียงมาเรียงเรียงอยู่ด้วยกันแล้วก็คล้ายๆลอยด้วยเทปแล้วก็สะท้อนแสงจากสแสงไฟหลายๆดวงความสึกเป็นอย่างนั้นแต่มองไปเนี่ยเห็นเหมือนกับมองจากข้างบนลงมาข้างล่างคือเห็นหลังค า, าก่อนถ้ากปรดี๋ยก็ ความสุขว่าอยากจะเข้าไปในปราสาทที่ไม่มีจิตเข้าไปแล้วนี่ไงคือพระจุลามณูอ่ะก็นึ้ว่าอยากจะเข้าไปข้างในเลยค่ะ น, น, นึกว่าจะเข้าไปก็เข้าไปปุ๊บเห็นองคาที่ที่เห็นชัดก็คือออตอนนี้ ย, ยังยไม่เห็นก่อนพอเข้าไปในปราสาทปุ๊บ ก, ก็นึกว่าเอ๊ะมีพระจุลามณูแล้วหลวพ่อบอกว่าให้ไปดูบ้านของเราว่าอยู่ที่ไหนก็เห็นว่าบ้านของเราเนี่ยมัน ไม่ทราบอตรงไหนแต่พอนึกปุ๊บก็เห็นปัาบเลยมันโล่งจง้องไม่มีเฟอรเจอร์น้อยมากก็เลยคิดว่าเราคงจะทําบุญไม่น้อยสร้างอะไรไม้น้อยก็เลยบ้านเรารู้สึกคแข็งๆแต่มันดูสะอาดแล้วก็เงียสบายใจก็นั่อยากขึ้นไปยืนแบบนั้นก็ขึ้นไปยืนมองหรือเที่ยวทอดรอบๆตอนนั้นเป็ความรู้สึกใหม่ๆ ม, มันอาจจะตื่นเต้นไม่ได้ออกมาแล้วก็ยังคิดว่า บ้านเรามันมันยังไม่ไม่ัดงามพอนะพออยู่และในบ้านสักเดี๋ยวนึงก็อยากจะออกเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นความบาปอันสูงสุดของการมาข้างนี้พอเลททันทีก็เห็นพระพุทธเจ้าองคท่านเสด็จมาต่อาัมม์กายท่านสูงใหญ่ท่านพระพท่านยิ้มลักษณะการที่ของท่านไม่ไม่ชอจะพูดถึงแบบว่าท่านยิ้มเพราะว่า ท่านไม่ไม่เห็นไม่ไม่ว่า ไ, ไม่เห็นฟันท่านเลยแต่รู้ว่าท่านยืนไม่ทราบว่าองค์นั้นเป็นพระนามท่านคือพระพุทธเจ้าองค์ที่เท่าไหรแต่ จ, จิตบอกบอกคือรู้มารู้สึกตาหลังๆนี่ว่าองค์นี้เป็นองค์พระประถมคือเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกเพราะว่าข้างหลังต่อมาไม่เห็นองค์อื่นก็เข้าใจว่าองค์แรกที่คงจะเป็นสมเด็จ อ, องพระปฐมแน่ๆเพราะว่าข้อากายท่านสูงมากกว่าองค์หลัง ท่านยิ้มคล้ายๆ ย, ยิ้มแล้วก็เอื้อมพหัดมาเหมือนจะโนูบหัวข้าพเจ้าตัวเองก็นั่งมองท่านหเงงๆนั้นพูดอะไรก็พูดไม่ออกพอวนท่านจะครู่ก็รู้สึกเหมือนกับการมองข้างนี้เหมือนกับว่าเราเห็นเห็นอยู่ภายนอกคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นก็นั่งมองอย่างเงงๆพอรู้สึกตัวก็พลางมองือกาบท่านพราเสด็จมาประเดีว๋เดวเท่านั้นท่านไม่ตัดอะไรเลยจิตข้าพเจ้าตอนนั้นคงจะไม่ไม่ ไม่สายเป็นที่นักจึงไม่ได้ยินว่าท่านกลาวว่าอะไรบ้างเหมือนกับท่านจะผููแต่ท่านยังไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นแต่นี้พอเห็นท่านเสด็จกลับก็มีควารู้สึกว่าอยากจะกราบพระพุทธกระสับตอนแรกคิดว่าองนี้ไม่ใช่พระพุทธกระสับแนแน่จิตตอนนั้นเริ่มบอกเลยว่าเป็นองค์พุทธกระสัก็เลยรู้ว่าอยากจะพูอยากจะได้กราบสมเด็จองคพพุทธกระสับจังเลยพอนู้นท่า น, นั้นท่านก็เสด็จมาใกล้ เราไม่เห็นข่านชัดมากท่านปะทัดดีตารางเวลาเหมือนให้คอยอย่างนั้นท่านปรับว่าเป็นอะไรลูกพ่อเขาพามาเที่ยวลูคราวนี้เลกสงสัยได้แล้วนะเจ้าก็เคยเห็นพ่อมาก่อนหลายครั้งแล้วแต่ก็ไปสงสัยเสียครานี้เชื่อแล้วย่างทำดีแล้วแลนะแต่ต้องเพิ่มไปให้มากกว่านี้อีกข้าพเจ้าพาวกเขาพนมมือมองพระพักท่านจนตา สพนังสีเป็นกระจายใกล้ๆโดยเงียนพระเสียรองค์ท่านสว่างสวัยไปหมดท่านใจดีมากควารู้สึกว่าไม่กลัวไม่ไม่ไม่กลัวท่านมากเหมือนกับปกติคือรู้สึกว่าท่านสูงมากจนเรากลัวแต่นี่พอไดอยู่ใกล้ท่านความรู้สึกมเย็นอยากอยู่ใกล้ๆท่านนานๆอยากตามท่านตอนท่านเสด็จกลับพอท่านเสด็จไปแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นหลางปู่ปาลท่านขาวสไว้ ยิ่งก็สวแล้วเป็นไปด้วยเมตตาท่านบอกว่าไม่ต้องสงสัยเราโลกเอ้ยแก่เนีกยแก่ที่ยังอ่อนดายมีสิทธิ์อยู่นะขณะข้าก็จ้คุยนั้นมั้นได้อยู่ต่อหน้าหลวงปู่นั้นความรู้ก็กลับมาอยู่ที่แรกเพราะรู้สึกขัดขั ด, ขดอยู่ที่ขาซ้ายว่าเองเราลม้มลงไปนี่เราเหมือนกับจะไปนอนพับขาแนงนะมันเจ็บเจ็บขันไดก็ได้ยินเสียงหลวงู่ว่าอะ่าเอาจิตไปจับ ทีกายสิลูสังขารนี่มันไม่ใช่ของเรานะเจ้าดูสิว่าเมื่อเจ้ามาหาปู่เอาการนี้ของเจ้ามารึเปล่าเอามาไม่ได้ใช่ั้มแล้วเจ้าจะไปคิดถึงมันหวงมันทําไมมันจะเป็นยังไงก็ช่างจําไว้นะเมื่อเจ้ากลับตายจําคําที่ปู่บอกไว้ติดใจเมื่อเรานึกถึงที่ปู่บอกทันทีขณะหลวงปู่พูดข้าพเจ้าก็คิดตามทันทีจิตก็กลับอยู่ที่คำภาวนาต่อ ควารู้สึกเหมือนกับถ้าจะมาพูดตอนนี้หลังจากนั้นมาแล้วขาพเจ้ามีความรู้สึกว่าต น, นั้นสมาธิขา้าพเจ้เคลื่อนมาจับที่ล่างคือสมาธิมันเริ่มจะคลายแต่ด้วยอะไรก็ไม่ทราบข้าจ้าก็จับคำภาวนาต่อแล้วก็ต่อไปได้อีกมันก็แปลกดีเหมือนกันพอพักพอรต่อจนเขารู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นแผ่นอะไรแผ่นหนึ่งแล้วพอที่สุดแผ่นนั้นก็หายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเหมือนกับ ในแต่ควา ม, มว่าวองจปลาไม่เห็นว่าตัวเองนอนอยู่พอเราไม่เห็นว่าตัวเองนอนอยู่จิตมันจิตมันก็ออกไปก็กลับไปที่เต่าแต่คราวนี้ไม่พบหลวงปูงแล้วไดเห็นท่านได้สุวรรณท่านององท่านใหญ่แล้วก็สูงว่ารู้สึกท่านกระเป็นบัดด้สูงใหญ่กคือไม่หอมแล้วก็เห็นท่านพ่ อ, อสุริย์อินทราทิศแล้วก็ท่านแม่จิต ซึ่งเป็ท่านแม่ของข้าพเาจ้าท่หลพ่อได้บอกเอาไว้หลายเดือนแล้วจากเห็นท่านเมื่อานเพิ่งจะมาได้เห็นท่านวันนี้เองทุกองค์ท่านขาวมากท่านเวท ก, ก็ไม่ดุคือทีแราคิดไว้ก่อนนี้ว่าท่านคงดุเพราะท่านสามารถจะปาบคุณผีไม่ได้ทั้งหมดท่านพ่อคุณผีท่านก็ขาวแล้วก็ไม่อ้วนสององเป็นยศมีชดาสูงท่านดูหนุ่มและสวยแบบเย็เยนไม่คล้ายนักลบเลย ท่านแม่ก็สว ย, รรยเป็นลังยาไม่ถูกท่านขาอวบๆตาดำผมดำสนิทที่แปลกก็คือทุกคนที่ได้เห็นมันเหมือนข้าพเจ้าไม่ต้องไปหาคอไม่ต้องหัไป็โน่นมาหนึ่เห ม, มือนที่คิดเอาไว้คือพอลักอยากเห็นท่านก็มาเปิกุ้งตองเมื่อเห็นท่านพ่อยแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อก็ไปกราบหลวงพ่อเห็นท่านนั่งอยู่หลวงพ่อท่านยิน้มก็เราบอกท่านว่าหลวไม่อจะต้องไปนอนแล้วเจ้าค่ะคือตอนที่กราบนี่ ก็เห็นหลวงพ่อมาถึงข้างแรกนี่แหละไม่ได้ข้างบนอะไรเลยกราบข้างแรกนะครับในวันแรกที่ออกไปเนี่ยพอเมืถึงเห็ลวงพ่อก็เห็นท่านหนั่งอยู่ที่ม้าบนเก้าอี้ด้านหน้าพระพินี่เองแต่ว่าพอไปกราบท่านก็เหมือนกับท่านคุยอยู่แต่คนอื่นเขาไม่เห็นความสุขตรงอย่างนั้นก็บอกหลวงพ่อว่ามิได้นั่งจะไปใหญ่แล้วจะขับไปนี้มันนานเท่าไรล้วก็ไม่รู้รมิพลับไปกว่าค่ะ ก็ลงมาเล่นจนไปสูก ข, ข้างเก้าอี้หลวงพ่อตอนนั้นจิตยัไม่กลับร่างเดิมเพราะว่ายังไม่อยากรู้รู้สึกว่าจะจะออกไปอ้า่ข้า ง, างตัวเองอยู่เอ ง, องมองไปทางเพื่อนๆที่นั่งกันก็เห็นหน้นาเมืองตากันเยอะแล้วก่อนที่จะลงมานี่รู้สึกจะเห็นอาจารย์มุงกูยับๆอยู่บนนู้นเห็นนิดเดียวแล้วก็หายไปเห็นเฉพาะคึ้ตัวว่าเป็นหน้าอาจารย์มงกูแค่นั้นแล้วก็หายไปเลยไม่ทราบที่ไหนด้วย พอนั่งข้างๆหลวงพ่อทุกตเกสียบจิตก็ไมาหลีที่ล่างรู้สึกว่าอ๋อนี่เราพับเทียบอยู่แต่ว่าจะลุกจะนุกไม่ขึ้นไม่รู้ว่าจะตั้ท่าแม่งจะเป็นไหนก่อนแล้วก็ถึงนิยายลุกได้หรือยังก็ไม่ลุกนุกอยู่แค่นั้นเพราะหลวงพ่อบอกว่าจะต้องให้อาจารย์เลือกกระเาะถึงจะลุกได้ก็เหมือนสักครู่หนึ่งก็เหมือนแขนซ้ากระตุกก็นึกว่าเอ๊ะนีท่าจะลุกได้แล้วมั้ยแต่ก็ไม่แน่ใจจนกระทั่งได้ยินเสียงของพ่อเ่มที่ลุก เกิ ข, ขึ้นมาความรู้สึกเหมือนกับว่าเราหลับไปความ น, น้ยอยหลวงพ่อเห็นท่านทำาโมยหชื่อยิ่งใจหายอย่างนั้นนึกว่าตายแล้วเรามานอนได้ยังไงมาแเนีน้แล้วยิ่งยืนท่านพูดบอกว่าคํายากที่หลวงพ่อทักก็คือว่าอ่านแล้วเมื่อเราหลับไปยังไงฮะใจเต้หมดเลยที่ว่าตายแล้ววะนี่เราเป็นยังไงไปมันก็เงิน ก, กลัวก็กลัวก็เลยแข็งใจตอบท่านเลยว่าหนูไปเห็นพระจุลามณีมาเจ้าค่ะ หลวงพ่อเคยถามว่าแล้วใครอีกเห็นเห็นเห็นอะไรอีกก็เลยบอกท่านว่าหลวงพิา พ, พทุทธกรบแล้วก็หลวงปู่ตาลเจ้าค่ะท่านหลวงพ่อว่าเออใช่ท่านนั้นเป็นมนุษย์มันมาล้ค่อยกลับคืนมาหน่อยวันนั้นก็เลยแต่ตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าตอนออกไปมันไปยังไงแบบไม่ได้เลยพวกมันตัดยอ ม, มหยุออกไปเลยตอนหลังพวกประธานานี่ก็ไม่ทราบยะ อธิบายอารมณ์ตอนนั้นแบบได้ถูกต้องเลยลูกสาวเพราะว่าที่เขารู้สึกว่ามันอจิตตัวเองมันบามากแล้วก็ไปอย่างง่ายๆแต่ว่าคิดว่าถ้าถ้าเพื่อนๆทุกที่พยายามกันคิดว่าคงจะไปได้ดีกว่าที่ข้าพเจ้าเล่ามาเพราะว่าตอนนั้นตัวเองก็สมาธิไม่ค่อยดีก่อนที่จะมาได้ลฝนฝึกวิธีนี้ก็ นันพอนอนเอาบ้างบา ง, งวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีก็ไปเปะไป ป, ป, ป, ปะไ ป, ะ ต, าปะตามเรื่เวลาคุณพ่อฝึกให้ถึงได้ได้ผลเพียงแค่นี้เอาบางท่านอาจจะมีผลมีสมาธิแคบเกลียสว่างยันสายมากกว่านี้แต่ว่าหลวงพ่อท่านสั่งให้บันทึกไว้เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ที่จะฝึกทีหลังถือว่าเกิดอาการหรืออะไรอย่างไรไปะจะได้เข้าใจว่าอรุณ เป็นเป็นเป็นอาการของวิธีฝุกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวเองหรือว่าอุปทานหรือว่าอะไรทั้งนั้นแต่ ว, ว่าถึงอุปทานมันเป็นมา น, นานแล้วเพราะว่าก่อนหนะ้าที่หลวงพ่อจะฝึกให้ไม่เคยเคอนั่งสมาธิอะไรแบบแบบชอบกเพ่งภาพุทโธบ่อยๆแต่ตอนหลังมันไ่งสมาธิเรา ต, ตนานากกําลังใจมันถอยไปไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าตอนหาังเรามันรู้สึกว่าผ้าพระที่เราเพ่งเนี่ย ท่านไม่ค่อยจยุงติดเลยท่านหายไปก่อนแล้วถึงพ่อไปฝึกท่านได้เรียวกลับกาบหลวพี่วิชาที่รับสรีนุ่งวันกใกล้วมาสงพ่อก็กราบฐานท่านว่าเออที่หมือนเพ่ง พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไมท่านท่านหายไปแล้วไม่เห็นท่านเลยที่ไม่ค่อยชัดผลงพี่ท่านตอบว่าท่านไม่ได้หายหรอกติตเรามันหายไปก็เลยตั้งใจว่าต่อไปนี้จะพยายามกำหนดใหม่ จะเพ่งพาพพระพุทธรูปพรพทธรูที่ชอบเ พ, งพ่งก็คือพระพุธชินราชองค์ชอบมาตั้งนานแล้วคือมีมรู้สึกว่าจำภาพท่าได้ง่า ย, ย, ายกว่ o ยาองค์อื่นใจแรกก็ตอนหลงตอนก่อนที่จะมาฝึกว่าใจาก็เปลี่ยนตอนเปลี่ยนมาว่เองจะเ พ, ง พ, พ่งได้พระพธรูปดีหรือว่าจะเพ่งหลวงพ่อดีเพราะว่าลูกหลวงพ่อ น, อ น, นี่ก็ชอบมากแต่กลัวเพราะว่า หลวงพ่อบอกว่าเราถึงองค์พระพุทธเจ้าที่สงสุดเราคิดว่าขอเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าหลวงพ่อนี้เวลาเดินไปไหนก็นึกถึงท่านอยู่เป็นปกติอีกแล้วตอนหลวงพ่อเรเดิ่มปไกึกถึงท่าน่นตีก้ก็ไม่คิดเวลาเดินไปงท่า่เิดวตอน่เาเดไปไหนก็นึกถท่าน่ิอ้วนหพ่อนเาวาเดหถึง่าอยักติวตองมนีควลามสินไงท่าอยู่ปนกติอี่แลนงพ่อจะ้ไปึกถึงท่านนกตี้คตอ พอขาพเจ้ารู้ว่ามีคาถาหรือท่องก็เลยลองไปท่องดูแล้วก็ลังเล่าที่บ้านดีกว่าคือนั่นงตอนตอนกลนงคืนก่อนพ่อจะฝุกให้วันหนึ่งก็ตัวมันก็ล่นลงไปแต่ว่าพอล้นไปแล้วก็รู้สึกออกไปตามหมืนพ่อท่านไปแต่ว่ามาอยู่กลางคัน พูดคือพูดกับตัวเองในสมาี่ว่าเอาไว้ไหมให้หลวงพ่อครขึ้นครูก่อนดีกว่าเราไปเองนีเดี๋ยวนอกครูเกินไปอะไรนี้แต่ว่าวันนี้ที่ลองฝึกดูก็เห็นหลวงพ่อท่านเหมือนกับท่านจะพาขึ้นไปพอวิ่งขึ้นค้าก่อนพ่อจะฝึกก็เลยมาบอกท่านท่านบอกว่าเออดีไปเช่นนี้เวลาจะไปจริงๆก็ว่ายเพราะอย่างนั้นก็เลยตอบท่านบอกว่า พเนจรถึงจะหายสงสัยได้พ่อชอบสงสยัยไม่ค่อยจะเชื่อว่าเราไปเนี่ยไปเห็นเองอะไรเองคิดว่าคลิกไปหลวงพ่อก็บอกว่าต่อไปนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าต่อไปนี้จะไม่สงสยัยถ้าให้หนึกอย่างนี้ก็นึกตามท่านบบหลังจากนั้นเราก็กราพรากก็บอกขอขออธิฐานว่าต่อไปนี้จะไม่สงสัยอีกแล้วแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของยอม ทำ น, นี้เปลี่ยนสติอตลอดเวลาเพราะว่าก่อนที่จะไปทุกครั้งจะต้องอาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมสม า, ส, ม า, ส, มาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดอันสูงสุดไว้ก่อนหลวงพ่อกบบนี้คล้ายๆเป็นเป็นการเปิดทางที่จะไปหะไหนๆได้เพราะว่าสุดแ บ, บนี้ถ้าเราไปคิดว่าเราจะไปรน่นไปนีนนนนน่ทำโน่นทํานี่เองเนี่ยไม่ชะอุปทานจะกจินหลวงพ่อทา่านยาก ถ้าทนงตนไปคิดว่าคือคนนี้คนนี้ถามโน้นถามนี่เราก็บอกเขาได้หมดทําไปทํามาเรา ก, ก็จักรน้วิเศษไปก็เปิดทนมตัวทนมตนว่าตัวเงนี้วิเศษแล้วทํำนี่ก็ได้ อ, น, ดอนี้ก็ได้ต่อไปก็โดนหลอกที่คนที่หลอกไม่ใช่อะไรหรอกพุทธเทวดานี่แหละคือท่านจะมาเห็นคล้ายๆกับเดี๋ยวเราก็ถามโน่นองโนอันนีเน้เปลกแปลกไปไม่ได้เื่้ยท่านก็ แค่ๆกับเาไม่ไม่คลอโน่านมากเท่ า, นน า, ท, าที่ควรจะเป็นท่านก็เลยกล้าให้ผิดไปบ้างเพี้ยนไปบ้างไม่ว่หาหักหน้ากันไปเลยตอนหนังก็อุปทานกินแต่นี้หลวงพ่อว่าถ้าอุปทานกินแล้วเนี่ยจะทําให้ตะเตต้นกลับมาให้เป็นรูกเดินในยากหลวงพ่อบอกว่าท่านเคยสึกพระไว้ได้สามน้อยพังหทั้งสามน้อยคนสาม้อองค์เพราะว่า ตอนหลังเนราไปเห็นว่าตัวเองยิ้มแอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าถือว่าถ้าเผื่ใครไปได้จะได้เลือกไว้เสนอว่าจะทะนุถนอมว่าเราไปได้ไปเห็นโน่นเห็นนี่เพราะว่านี่เป็นข่าวเจ้าคิดเองว่ามันไม่ใช่เป็นหนทางที่จะเป็ลขั้นสูองสุดคืออรหัตผลได้ท่านคิดเองด้วยท่างจากที่หรวงพ่ออ่านจากหลวงพ่อท่านด้วยจึงมาได้วควาคิดแบบนี้ คือพยายามเตืนตัวเองเสมอว่าคนที่ไปเห็นหรือไม่เห็นไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันกมากนะถ้าคนที่ไปเห็นไม่ใช่วิปสัสสนาญาณควบคือไปแนละ้วก็ไปส น, นุกเพลิดเพลินไปตามเรื่องตามราอันนี้คิดว่าไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรคือหลวงพ่อฝึกเพือ่อย่างที่จะให้เราได้ไปเห็นแนละ้วใช้เป็นกําลังวิปสัสสนาญาณคือไปเห็นของจริงมาก็ามาเทียบว่า นอกมนุษย์ยังมีความยุ่งวุ่นวายอยู่ ท, ยที่โลกที่เราไปเห็นก็ยังวุ่นว า, นยายสวยสนุกสนานจริงแต่ก็ยังมีภารกิจที่จะต้องทํทงาำโลกก็ยังท่านก็ยังมีการกระเกียนงานอะไรกันบอย่างไปเห็นทั่านแล้วไม่ใช่ทั่านไม่ไม่ใช่วม่ได้มีความสุขมีชั่วตลอดการเวลาท่านก็ยังมีงานจะต้องทําอันนี้ส่วนพนิพานนี้จะไว้ขอพูดทีหลังเพราะว่าวัน วันนี้ขอจดแค่นี้ก่อนเพราะถ้าพายไม่ได้มาเที่ยวเ อ, อ, อกตอนหลังนี้เองที่ลากไปนะ่ะไม่รู้ว่าเป็นาาประสาทเรานาไปอยู่ที่ไหนไม่รู้พอาคือพายนิดปุกบก็เห็นปั๊บเรื่องทั้นสวนใหญนี้ตัวเองไม่เอยเข้าใจนะว่ามีทั้นอะไรต่ออะไรบ้างก็ที่พ่อก็เป็นผลอย่างหนึ่งคือจะได้ไม่คิดว่าเป็นอุปทานไปคือไม่ค่อยรู้เรื่องว่า ตรงไหนอยู่ชั้นไหนเป็นใครเอะไรยังไเรื่องนี้เรื่องดูจับลูกพระท่านเองอะไรก็เป็นการทดสอบตัวเองไปด้วยคือเห็นแล้วก็จะได้มาเทียบเทียงกับความเป็นจริงได้นูว่าไม่ใช่อุปท า, านเพราะตัวเองไม่เคยเห็นไม่เคยคิดเวยก่อนแล้วะในชั้นสวรรค์ก็ยังจำชื่อไม่ได้วันศุกร์ที่สิบเก้าขึ้นห้าขั้ 9, มเดือนเก้าเป็นมะเส็งวันนี้ว่าครูศุกร์ตอนสองทุ่ม เมื่อสักครู่ก็นอนหลับไปเห็นพระจุามณีวัดงางกว่าันนี้เมื่อได้ฟ้าสมเด็จองค์ปัจจุบันเพราะว่าคิดไว้ก่อนแล้วว่าวันนี้จะขอมากราบสมเด็จองปัจจุบันเพราะว่าเมื่อวันวันก่อนได้กราบสมเด็จองพระถมและพระพุทธศพสมเด็จองคปัจจุบันท่านรงสอนเรื่องขันท่าขณะท่านสอนท่านสอนเอาจากความจริงเลยครับ ท่านสอนให้หัด pues, ต wow. ัดกายตัดความรู้สึกทางกายเห้รู้สึกว่ากายมันไม่ใช่ของเราคือบางท่านสอนเนี่ยไมว่าท่านสอนเพราะว่ายมมาลงกัดมันไม่เชลิงจริกแต่มันอยู่ตัวนี่อยไรเขาอยูอย่างนั้นแต่ไม่กล้าลืตาว่ากัดเจ็บมากนี่งเลยทั้งหราว่าเจ็บท่านก็บอกก็เหมือนมีเสียงว่าอย่าไม่ให้รู้สึกว่ามันเจ็บให้หัดตัดความรู้สึกอันนี้ออกไปใียก็บอก ใจตอนนั้นก็นึกตามท่านว่าจะไม่รู้สึกว่าเจ็บจะไม่รู้สึกว่าเจ็บเรื่อนี้เพราะนึกพอรู้สึกเรายิ่งมีสมาธิความตั้งใจที่จะทนลรามากเท่าไหร่ความเจ็ยิ่งทันี้ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นแล้วก็นึกตามเพิ่ ม, เ, มเขาเพิ่มมากแล้วก็เพิ่มตามไปเรื่อยๆจนถึงทีง่สุดที่สุดจะเป็นเวลาประมาณถ้ากะก็ประมาณสักสิบนาทีได้ พอท่านสอนแล้วพอเสร็จก็มีความรู้สึกว่าท่านบอกว่าเออท่านสอนเพื่อให้ตอนตายจิตจะได้ทิ้งไม่รู้อาการเจ็บปวดท่านบอกวันนี้เอาแค่นี้ก่อนพอการาบท่านเสร็จก็มาการาบหลวงปู่ปานเห็นท่านประทับอยู่บนที่ประทับที่งดงามมากประดุษฐ์คล้ายรูปดอกบัวคือฐาน ที่ท่านสภาพอยู่บานออกเพราะตรงกลางคอดตรงปลาปลายฐานก็บานออกเห็นเป็นแก้วคล้ายๆแก้วหลายๆสีไร้ยุติยะ้งไปหมดก่อนนั่งที่จะได้เลาถึงเด็กองปัจจุบันนี้ได้เห็นองค์พุทธท่านนั่งอยู่บนอาสนะของหลงพ่อเป็นอาสนะกรรมฐานเห็นท่านนั่งอยู่แล้วก็มีดอกโบผ้าอยู่บนตักหลายๆดอกวันนี้จะขอเล่าแค่นี้ก่อนเพราะว่า ดูเทพสมุดเลยว่าถ้าพวกตายอาจจะไม่จบเรื่องก็ได้